คนจีนมาภาวนาะดีขึ้นเยอะนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเยอะขึ้นละการปฏิบัติจริงๆมันไม่ยากอะไรนะรู้สึกตัวให้ได้ปกติคนทั่วๆไปไม่เคยฝึกนะ ใจมันจะอยู่ในโลกของความคิดหลงคิดทั้งวันนี่เรามาฝึกรู้สึกตัวก่อนตัวนี้ต้องใช้เวลาจิต ท, ที่รู้สึกตัวจิต ท, ที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องมีสติมีสัมผชัญญามีธรรมะที่ดีๆหลายตัว ตัวนีใช้เวลากนวะ่าจะฝึกจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้อย่างพวกพระที่มาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยบางองค์ก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆ น, นะสองสามเดือนนะบางองเป็นปีเลยกว่าจะรู้สึกตัวเป็นถ้ารู้สึกตัวเป็นเนี่ยจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิด มันจะรู้สึกอยู่กับปัจจุบันได้เวลาร่างกายเคลื่อนไหวจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวมันถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นในใจนนก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูเห็นอย่างนี้ได้ก็จะเจริญปัญญาได้ถ้าใจยังหลงอยู่ในความคิดนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริง าการเจริญวิปัสนาที่แท้จริงไม่ใช่การคิดความคิดปิดบังความจริงการเจริญวิปัสนาที่แท้จริงนะเป็นการเห็นนะจิตมันถอนตัวมาเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทางานดูเหมือนมันดูคนอื่นมันไม่ใช่ไม่ใช่เราเดินไม่ใช่เราโกรธอะย่างนี้ อย่างความโกรธเกิดขึ้นมันจะไม่รู้สึกว่าเราโกรธมันจะเห็นว่าความรู้สึกโกรธเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตจิตเป็นคนดูเป็นคนเห็นเวลาเดินก็ไม่ใช่เราเดินเวลานั่งก็ไม่ใช่เรานั่งเนะ่ร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งจิตเป็นคนดูเน่มันต้องแยกอย่างนี้ออกมาแล้วมันถึงจะเห็นความจริงว่าใกาน่นี้ใจนี้ไม่ใช่เราเหรอกมันไม่ใช่การคิด การคิดนะเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเลยของการปฏิบัติวิปัสสนาแต่ถ้าจะทำสมถนะเนี่ยใช้การคิดเอาได้สมถะกรรมฐานนะอารมณ์อะไรก็ได้แต่วิปัสสนาเนะี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้รูปนามจิตเป็นคนรู้ เป็นส่วนใหญ่ที่เรียนธรรมะ ก, กันนะที่เรียนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเมืองไทยเยอะแยะสำนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกรูปนามได้จริงไม่สามารถแยกเอาอย่างรูปมันนั่งรูปมันเคลื่อนไหวแจิตเป็นคนดูแยกไม่ค่อยได้จริงอะอย่างม้กก็คิดเอาร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูคิดเอามันไม่ได้เห็น งั้ตราตุใดที่เรายังไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราไม่มีทางเดินปัญญาได้จริงเพราะจิตจะเป็นผู้จิตอีกแบบหนึ่งที่ทำผิดก็คือจิตที่ไปเป็นผู้เพ่งมีจิตสองอันที่มันผิดอันหนึ่งจิตมันหลงเบกคิดเอาอีกอันหนึ่งจิตมันไปเพ่งไปจ้องอยังรู้ลมหายใจม่าจ้องลมหายใจ รู้ท้องผ่องยุบก็จ้องท้องขยับมืออย่างรูวพระเทียนก็จ้องมือจิตมันจะไหลไปแช่ในอารมณ์ตัวนี้ได้สมถะแต่ไม่เป็นวิปัสสนางั้ น, นักปฏิบัตินะก็เป็นคนส่วนน้อยอยู่แล้วละคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้ปฏิบัติคนส่วนน้อยได้ยินธรรมะ คนที่ได้ยินธรรมาส่วนน้อยลงมือปฏิบัติคนที่ฟังธรรมาส่วนมากก็ไม่ปฏิบัตินี่คนส่วนน้อยที่ปฏิบัติเนี่ยมีส่วนน้อยเข้าไปอีกนะที่ปฏิบัติถูกเพราะง้นนคนที่บรรลมากพผลเลยมีจำนวนจำกัดมีน้อยเมื่อคนมีครูบาอจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยมีจำนวนมาก เหมือนขนของบัวหัวตัวหนึ่งมีขนเยอะแต่คนที่ได้มักผลนะเหมือนกับเขาหัวตัวหนึ่งมีสองขาเองเอกขนบัวเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านกลายเป็นแค่เขาบัวมีสองอันทำไมคนส่วนใหญ่ภาวนาแล้วไม่ได้มักผลเพราะไม่สามารถพัฒนาจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญา ไม่มีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ น, นั่นเองโลปุมันนะคนพบตัวนี้ขึ้นมาที่ท่านสอนพุโทโธพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านให้พุโทโธหัดพุดโทโธไปอย่างพวกเราแทนที่จะคิดอะไรสเปสะสป่านะาเราก็จงใจมาคิดคําว่าพุโทโธพอเราขาดสติเมื่ อ, อไหร่คําว่าพุโทโธจะหายไปมันจะไปคิดเรื่องอื่น พอจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะสังเกตได้ง่ายอ้าวนี่ลืมพุทโทแล้วขาดสติแล้วตรงที่รู้ว่าจิตหลงไปตรงที่รู้ว่าจิตหลงไปนี่จิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงมันตรงข้ามกันถ้าเป็นจิตผู้รู้มันก็ไม่หลงถ้าเป็นจิตผู้หลงมันก็ไม่รู้เหมือนเหรียญด้านหัวกับด้านก้อย ถ้าเป็นด้านห่วงก็ไม่เป็นก้อยเป็นก้อยมไม่เป็นหัวถ้าเป็นจิตรู้มันก็ไม่หลงถ้าเป็นจิตลงมันก็ไม่รู้นี่เราอาศัยสติรู้ทันจิตที่หลงเช่นเราท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตหลงจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดจิตหลงเป็นจิตอกุศลประความได้โมหะ ความฟุ้งซ่านประกอบด้วยความฟุ้งซ่านทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าหลงความหลงจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตไม่หลงจิตรู้ว่าเกิดขึ้นงั้นอาศัยกรรมฐานนะแล้วเราสังเกตจิตรู้ทันจิตของตัวเองไปสบายๆอย่าไปเพ่งจ้องเอาไว้ถ้าเพ่งจ้องเราไม่หลงเลยแต่ใช้ไม่ได้ใจนิ่งๆโง่ๆอยู่ยงั้นนะ เราไม่เพียงจ้องเราทากรรมฐานเช่นหายใจเข้าพูดให้ยใจออกโทรหรือพุทธโทอย่างเดียวก็ได้บางคนไม่ชอบบริ ก, กรรมอย่างหายใจอย่างเดียวก็ได้จะดูท้องพองยุบจะขยับมือก็ได้แต่ไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรให้คอยรู้ทันจิตตัวเองนะอยงเราขยับอย่างหลวงพ่อเทียนคนจีนบางคนไปฝึกมาขยับไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตมันถลําลงไปอยู่ในมือรู้ทัน จิตที่ถลําไปนะั้นไม่ใช่จิตผู้รู้หรอกเป็นจิตผู้เพง่งบางคนไปดูท้องพองยุบนะจิตนี้ไปคิดให้รู้ทันจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องคือไปเพ่งท้องให้รู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปคิดหรือเคลื่อนไปเพ่งนะจิตจะเลิกเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเึ้นโดยอัตโนมัติอย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหมเสื้อสีชมพูคนจีนเนีย จิมันสงสัยคิดใหญ่คิดคิดคิดเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดนะจิตคิดจะดับเลจิตรู้จะเกิดอัตโนมัติเลยเพราเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทุกคนต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งมีเครื่องอยู่ของจิตคําว่าเครื่องอยู่ของจิตหมายถึงเป็นบ้านของจิตเวลาจิตขาดสตินะจิตจะหนีจากเครื่องอยู่ของตัวเองมีไปที่อื่นให้นะเราก็รู้ทันว่าเผลอไปละ ไม่ว่ามันเผลอก็ได้เผลอแล้วรู้ว่าเผลอตรงที่เรารู้ว่าจิตเผลอไปนะจิตเผลอจะดับจิตรู้จะเกิดฝึกบ่อยๆนะในที่สุดจิตรู้จะเกิดทียิบเลยเกิดทั้งวันเลยนะอย่างหลวงพ่อนะทำยังไงก็ไม่หลงนะเนี่ยจะขยับใจอะไรเนี่ยไม่ไม่หลงหรอกเพราะเราฝึกมาเยอะและ้วนะจิตหลงเรารู้จิตหลงเรารู้ในที่สุดจิตรู้ก็เกิดขึ้นแล้แก้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ พอจิตเรู้เราเข้มแข็งขึ้นนียจิตมันจะมีพลังนะลองหันไปดูพวกพระเอาหลวงพ่อนะพวกเนี้ยจิตก็จะมีพลังพวกพระเก่าๆนะพระเพิ่งบวชสองสามวันอะไรเงี้ยก็เหมือนพวกเราแล้วดูเป็นป่ะเห็นพระกระดุกระดิกใช่ไหมพระไม่เผลอเผลอก็เผลอสั้นๆไม่เผลอยาวอันนี้เกิดจากการฝึกจิต หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเลยรู้ทันจิตไปได้พอเราได้จิตที่เป็นคนดูแล้วคราวนี้เราก็จะเจริญปัญญาได้จิตที่เจริญปัญญานะเรียอเป็นคนดูอย่างขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอยู่พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนั่งรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่นี่ถูกรู้ดูออกไม่ร่างกายมันถูกรู้ถ้าดูออกเรสแสดงว่าเริ่มภาวนาเป็นแล้ะ จิตตั้งมันเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นร่างกายมันทูกรู้เห็นความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูออกไหมว่ามันเป็นของถูกรู้ความสุขก็ถูกรู้ความทุกข์ก็ถูกรู้ความโลภโกรธหลงก็ถูกรู้อะไรๆก็ถูกรู้เนี่ยเราเห็นไปเรื่อยนะเรามีผู้รู้แล้วเราจะเห็นสิ่งที่ถูกรู้ได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้รู้นะเวลาเราไปเห็นนะ จิตม่จะถล่มลงไปอย่างเราเห็นร่างกายตัวเองจิตมันลงไปเพ่งกายไหลลงไปในร่างกายใช้ไม่ได้ไ่ดูท้องจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องหรือไหลไปอยู่ที่อื่นไม่ใช้ไม่ได้ถ้าจิตไม่ไหลไปจิตตั้งมัน่นขึ้มาเป็นผู้รู้เราก็จะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึก สุขทุกข์เป็นของทุกรู้ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อละเอียดเข้าไปเรื่อยๆต่อไปจะเห็นว่าจิตเองก็เป็นของถุกรู้จิตเดียวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ดับเกิดจิตผู้คิดจิตผู้คิดอยู่แล้วก็ดับเกิดจิตผู้รู้นี่ยเลยเห็นนะจิตมันก็ถูกรู้นะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด สุดท้ายปัญญามันก็แทงทะลุลงไปในจิตเห็นตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราเราภาวออนามาจนถึงจิตไม่ใช่เราเนี่ยขันห้าจะไม่ใช่เราทางกายทางใ จ, จัะไม่ใช่เราแล้ ว, ลวขันห้าไม่เป็นเราโลกทั้งโลกก็ไม่เป็นเราละเพราะฉะนั้นแตกหักลงที่จิตนี่เองถ้าเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะสักยทิทิความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่ จะถูกทำลายเราจะเป็นพระโสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดสินความรู้นะไม่ใช่อยู่ๆนึกเอาเองว่าเป็นพระโสดาบันมันมีกระบวนการที่จิตทำงานนะขั้นแรกเลยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิจิตจะเข้าฌานทั้งทั้งที่เราไม่ได้ฝึกเข้าฌานนี่แหละเราดูจิตเกิดดับดูความรู้สึกเกิดดับนะดูร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างถูกรู้ถูกดูไปเรื่อยๆถึงจุดที่กำลังพอเนี่ยจิตรวมลงไปเข้าอัปปนาสมาธิเข้าฌานแล้วจิตจะไปเดินปัญญาในฌานไปเดินปัญญาในฌานไม่นานนะแวบแวบสองทีหรือแวบแวบแวบสามทนะีตรงที่จิตเดินปัญญาในฌานเนี่ยจิตจะเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับ แต่จิตไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะไม่มีการสำคัญมั่นหมายไม่มีการหมายว่าอันนี้คือโศกอันนี้คือทุกข์อันนี้คือดีอันนี้คื อ, อ, นนคอชั่วมันแค่เห็นนะาสภาวะบางงานเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับไปนะพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยสองสามครั้งนะถ้าบุญบา ร, รมีเราพอนะจิตจะวางสิ่งที่ถูกรู้ แล้วทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้จิตมันจะกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้มันกลับเองนะพวกเราอย่าไปจงใจกลับถ้าเราจงใจกลับเราจะไปติดสมถะที่แก้ยากที่สุดเลยคือไปเพ่งตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยแค่รู้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้ร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกว่าร่างกายมันถูกรู้ไอ้ตัวที่รู้มันมีอยู่ต่างหากแต่อย่าไปหามัน ถ้าเราหาตัวผู้รู้ปุ๊บจะจับปั๊บเข้าไปในนันะ้แก้กันเป็นปีเลยจะติดสมถะที่แก้ยากที่สดุดเนี่ยจิตเวลามันจะเกิดอริยมรรคมันรวมหัวไปแล้วมันเดินปัญญาสองสามขณะแล้วมันวางสิ่งที่ถูกรู้มันทวนกระแสเข้ามาเองเข้ามาหาตัวผู้รู้เองทันทีที่มันทวนกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้เนี่ยอาสวะกิเลสคือเป็นเปลือกใครเคยเห็นจิตมันมีเปลือกหุ้ม อาสวกิเลสที่ห่อหุ้มจิตนี้จะแตกออกถูกอริยมรรคทำลายแหวกออกไปนะ <S <S ส<ว>แสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นจิตจะเข้าสู่สเต็ปนาะว่างสว่างเบิกบา น, นจิตที่สัมผัสพระนิพพานนั้นะเบิกบานมหาศาลพระนิพพานเป็นบรมสุขว่าง สว่างในคำภีรก็มีนะพอเราภาวนาพอเราเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาตรงนี้เป็นการเดินปัญญาอยู่ในฌานแะสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรก็เลยเรียกว่าสิ่งบางสิ่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่านี่คือโลภนี่คือโกรธนี่คือหลงนี่คือสุขนี่คือทุกข์ ในภาวะนั้นเนี่ยแค่เห็นว่าบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้นอย่างปัญจวัคคีย์ฟังพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็จะเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปภาษาบาลีมีบอกอย่างกินจิสมุทยะยธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดา อันนี้เห็นตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดอริยมรรคขึ้นอริยผลเกิดขึ้นเขาบอกว่าจาักขวงอุทธปาธิดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นญาณอุทธปาธินะมีอย่างอย่างรู้สภาวะตามความเป็นจริงเกิดขึ้นปัญญาอุท ธ, ธัาธนะิเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมืนะ่เกิดเราก็ดับไป วิชาอุตตปัตถิรู้ว่าพวกนี้เป็นตัวทุกข์หรอกไม่ใช่ตัวดีตัวบีเศษเหรอกตัวสุดท้ายอะโลโกอุทธปัติแสงสว่างเกิดขึ้ น, นแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่จิตเหล่านี้บางคนตอนที่เกิดมรรคผลมาจิตรวมลึกลงไปถึงอรูปฌานถ้าจิตเข้าถึงอรูปฌานนี่นโลกทั้งโลกจะหายไปร่างกายจะหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียว แล้วกระบวนการของมังพลมันเกิดที่จิตดวงเดียวนะไม่มีร่างกายตรงที่แสงสว่างเกิดขึ้ น, นเราจะรู้เลยว่าแสงสว่างของจิตเนี่ยสว่างกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์อีกเพราะตนนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ดับไปหมดแล้วนะดับในในจิตของเราดับหมดไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคื น, นดับเหลือแต่ความสว่างสวายของจิต อยู่ในคำพีมีนะสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าภาวนามไม่เป็นไม่เข้าใจก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะแสงสว่างเกิดขึ้ น, นโมเมคิดเอาหมายถึงมีปัญญาเกิดขึ้นมันเลยปัญญาไปแล้วตรงนั้นมันเลยปัญญามันเข้าถึงมีหมดไปแล้วทั้งหมดที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนะี่ยมันมาจากการที่เราเริ่มด้วยการรู้สึกตัวบ่อย รู้สึกเกิดไปได้การทํากรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้เวลาเราทํำกรรมฐ า, านอย่างหนึ่งเช่นเราหายใจเนี่ยจิตก็จะไหลสองแบบหนึ่งไหลไปคิดสองไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราขยับมือทํากรรมฐ า, านขยับมือจิตก็ไหลสองแบบไหลไปคิดกับไหลไปอยู่ที่มือดูทองผองยุบจิตก็ไหลได้สองแบบไหลไปคิดกับไหลไปอยู่ที่ท้องอย่าพูดโท จิไหลไปคิดกับจิตไหลไปจ้องพุโทโธอยู่งันะ้นเหมือนกันหมดกรรมฐานอะไรก็เหมือนๆกันนะขอให้รู้ทันจิตตัวเองที่ไหลไปไหลามานะรู้ทันจิตที่ไหลแล้วจิตจะหยุดไห ล, ลเป็นคนดูพอจิตเป็นคนดูไ็จเห็นร่างกายถูกดูเห็นความรู้สึกถูกดูสุดท้ายจะเห็นว่าตัวจิตเองก็ถูกดูสิ่งที่ถูกดูไม่ใช่เรานะสุดท้ายจิตถ้าบุญบา ร, รมีพอจิตจะรวมเข้าฌาน เดินปัญญาในฌานเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสองสามขณะน ะ, ะจิตก็วางสิ่งที่ถูกรู้ทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้แลพอทวนกระแสเข้ามาถึงตัวผู้รู้เนี่ยตัวผู้รู้จะแตกมันจะแตกออกนะมันจะแบกออกอริยามรรคจะทำลายเปลือกของจิตที่ห่อหุ้มจิตอยู่พอเปลือกมันแตกเข้าไปเนี่ยธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะแสดงตัวขึ้นมา จิตจะไม่ใช่ตัวผู้รู้อีกต่อไปละจิตจะเป็นธาตุรู้คนละอันกันไม่เหมือนกันธาตุรู้เนี่ยท่านเว่ยหลังเรียกว่าจิตเติมแทะไม่ใช่จิตธรรมดาอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเติมแทะท่านเว่ยหลังแต่ท่านห่วงโป้จะเรียกว่าจิตหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งสมเด็จญาณท่านเรียกว่าวิญญาณธาต ลงตามมหามัวเรียกว่าธรรมาธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจแต่เราองค์ท่านก็เรียกต่างๆกันไปแต่ที่จริงก็คือสภาวะาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั่นเองธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าเป็นคนจีนนะจะเห็นมันคือพุทธภาวะคนจีนเนี่ยมีคำหนึ่ง ในคำพีของจีนะจะเรียกว่าพุทธภาว ะ, ะก็เรียกสารพัดจะเรียกไม่สำคัญเรียกอะไรภาวนาเมือ่อรู้สึกตัวบ่อยๆนะจุดเริ่มต้นรู้สึกตัวแล้วก็ดูกายมันเคลื่อนไหวดูใจมันเคลื่อนไหวแล้วต่อไปไมันจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแล้วอะไรๆก็ไม่ใช่เราแล้ฝึกอย่างนี้ไดวันหนึ่งมรรคผลก็เกิด อ, อ่นานหน้าไปทถนนแล้วเรมรับผ่อนจากพระอาจารย์